2. ผู้ตะคามวัรหนึ่งผู้ตะคามสิกขาบท 64. ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีเพราะพรากผู้ตคามณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณเมืองอารวีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปรารบภิกษุชาวเมืองอารวีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุชาวเมืองอารวีตัดต้นไม้ในภูตคามศิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสมสมุดฐาน